ตอนท่านเหลียวฝานเปลี่ยนชื่อพ่อนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าสเสียหายในวันนั้นพ่อเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเหลียวฝานเพราะพ่ อ, พอรู้ซึ้งแล้วว่าการสร้างอนาคตนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ตนเองไม่ใช่รอคอยโชคชะตามาผลักดันให้เป็นไปตามยถากรรมพ่อจะต้องหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนให้ได้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 ที่กำลังคลืบครันมาหาพ่อฉะนั้นแม้จะอยู่ในที่มืดหรือในที่ระหโหฐานก็ยังเกรงว่าผีสางเทวดาคอยจ้องจับตามองพ่ออยู่ต่อหน้าและลับหลังจึงประพฤติตนไม่แตกต่างกันหากมีผู้ใดแสดงความไม่พอใจพ่ออย่างใดวิภาควิ จ, จารณ์รุนแรงเพียงใดพ่อกับรับฟังได้โด ย, โ ด, ยดุสดีไม่เคยต่อร้อต่อเถียมกับผู้ใดอีกเลย เมื่อการเวลาผ่านไปอีกปีหนึ่งพ่อได้โอกาสเข้าทำการสอบไล่อีกครั้งคราวนี้ได้ที่หนึ่งพลิกความคาดหมายของท่านผู้เท่าคงที่พยากรไว้ว่าจะสอบได้ที่สท่านว่าหลังจากสอบครั้งนี้แล้วต่อไปจะสอบไม่ได้อีกแต่เมื่อพ่อไปสอบก็สอบได้อีกเป็นนั้นว่าคำพยากรไม่สามารถกลุ่มวิถีชีวิตของพ่อได้อีกต่อไปแต่การทาความดีนั้น ไม่ได้ง่ายอย่างที่นึกไว้สํารวจดูแล้วก็พบข้อบกพร่องมากมายเช่นไม่มีความอาหารพอที่จะเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยบางทีจิตใจรังเลไม่สามารถช่วยได้สุดกําลังบางทีก็ช่วยไปบ่นว่าไปกดติเตียนเสียไม่ได้เวลาปกติก็ยังมีสติคุมตนเองได้ดีอยู่บางทีดื่มเหล้าเมามายความประพฤติดั้งเดิมก็กลับมามีบทบาทอีก คะแนนของกรัมดีถูกกรัมชั่วลบไปเสียมากทำให้ต้องใช้เวลาเกือบ11ปีคือตั้งแต่พ่ออายุที่10ปีถึง31ปีจึงสามารถรวบรวมการทำความดีได้ครบ3 0 0พันครั้งบังเอิญขณะนั้นพ่อไปเที่ยวนอกด่านเสียกับเพื่อนจึงไม่ได้ประกอบพิธีอุทิศบุญกุศลดังที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้จนกระทั่งรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่ง เราปีพุทธศักราช 2,123 เมื่อกลับมาทางใต้แล้วจิงนิมนต์ท่านสิงคงและท่านห้วยคงซึ่งล้วนเป็นพระเถระที่สงคุณวิเศษมาประกอบพิธีอุทิศกุศ ล, ลผลบุญที่ได้เพียรทำต่อเนื่องมาได้รวมสามพันครั้งตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วเริ่มตั้งจิตอธิษฐานใหม่ครั้งนี้ขอให้ได้ลูกที่ดีจะทาความดีอีกสาพันครั้ง พอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเราพุทธศักราช 2,124 พ่อกรไดเจ้ามาจึงตั้งชื่อให้ว่าเทียนชี่แปลว่าฟ้าประทานเวลาใดที่พ่อไดกระทำความดีทางกายกรรมก็ดีวัจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีพ่อก็จะใช้ผู้กันบันทึกไว้ทันทีแต่แม่เจ้าเขียนหนังสือไม่เป็นเมื่อได้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 และเริ่มอธิษฐานขอให้สอบตำแหน่งจิ้นซื่อได้จะทำความดีให้ครบ1หมื่นครั้งต่อมา3ปีพ่อกระสอบได้และได้เป็นนายอำเภอในปีนั้นเองราวปีพุทธศักราช 2,129